ถึงระวังยังไงมันก็ไม่เห็นลดเพราะเวงตามตามสนองมีบุญแต่ตามบังไม่ให้เราเห็นลถและให้ลถทนลรตายมันก็ออกมาอย่างนี้นะเน่ยแต่ามาเพาประสบการณ์มาหญิงขอหากทับไปเลยเนี่ยแล้วก็เลือดเต็มจมูกแล้วก็ไอ้กระจกรถเนี่ยมันก็เอาถกหนังเนี่ยหมดเลยไว้แหวงหลังหมด แล้วก็เลือดต่มูกเลือดคอสเส็ตเต็มคอแล้วเราก็ต้องตายแต่แล้วที่เราฝึกกรรมาฐานได้กลับหายใจทางสะดือได้ออหนอยุกหนอหายใจได้มีพยาหลักฐานแล้วก็คอเนี่ยพยับลงมาหน้าอกตามามือมืออยู่มือหนึ่งก็ดึงมันขึ้นไว้มึงขึ้นไว้ แล้วหายใจชงดือท้องหนอยกหนอตอนนั้นเรามึกถึงแม่เออเราเานึกอยู่ในใจว่าเราอยู่ในท้องแม่นี่นะก็กินน้ำเลือดน้ำเหลืองแม่ทางสะดือแน่ๆคงไม่ใช่ตะหมูทางปากแน่ๆก็คิดอยู่ทุกวันเลยก็มาตั้งปัญหาขึว่าหลับตาจึงเห็นแม่ลืมตาออกไปถึงจะเห็นพ่อ นั่งอยู่ตรงนี้แม่เป็นคุณบอกเลยจะมาก็เขาก็จะเอารถไปส่งโรงพยาบาลออกจากรถเดินไปยี่สิบวาเลยก็น้ำมันท่วมตามตลาดแล้วเขาไปขายของตามถนนที่ว่านี่ก็ท่วมตอนสมัยนั้นอาตมาก็บอกโยม อุ้มน่อยแต่ความรู้สึกไม่เฉพเป็นทั้งปากแล้วมันไม่รู้สึกตัวมันตายไปหมดแล้วแต่สติมันมีอยู่ที่ลิ้นปี่เราจึงมาสอนกันว่าตั้งสติลิ้นปี่เนี่ยดีสุดเหี่ยใจดีใจกําหนดไว้ตรงนี้หายแน่เนล้วก็บอกโยมอุ้มหน่อยพวกโยมอยู่กลางถนนเขาว่างอะไรรู้ไหมเขาบอกให้อุม้มธรรมาหัวเละ หัวเล้ยเราขอหากภาไปแล้ยังจะเสือกพูดนายหยูนอ ะ, ะเสือกพูดนายนแหมเราบอกยมไม่ตายเขาก็ไม่ยอมอุ่มประเด็นจักรถไปย0ิบวาอยู่โน่เลยนอนแอ้งแม่งนอ ะ, ะทายัางไงแล้วก่อนายทหารอากาศคนหนึ่งลอยขึ้นหลังรถทัวไปเลยเขานึกว่าไอ้นังถือพิมพ์ ลุงขาอ้มขาอย่างนี้มันลอยไประหวันงซื้อพิมพ์ไงสุดเขาก็ตายโชเฟอร์สลบไปแล้วทนี้ต่ำมาก็บอกให้โยมอุ้มไม่มีใครยุ่งจนตำรวจทางหลวงมาไอ้ร ถ, ถทัวร์ท่างจีทนหม้อน้ำแตกหมดเลยไอ้ประตูพังหมดเลยนะมันก็จอดไปไม่ได้ตำรวจเขาก็เอาไวไ้ด้า แล้วโธเฟอนั้นก็บอกว่าไม่เห็นอาตมาไม่เคยเอเรื่องเลยแล้วไม่ยอมเอาเงินค่ารักษาด้วยเพราะเราเวงกรรมเรารู้อย่าไปสร้างกรรมเอาสตางค์เขามารักษาเราเลยเป็นการกรรมต่อกรรมบอกว่ารถทัวทร์ธันตริตนครสวรรค์บอกาอาตมาไม่สร้างเวงกรรมมาท่านแล้วถ้าอาตมาตายก็ม่เอาเงินค่าเผาศพไม่มีการฟ้องร้องเรามันมีกรรมเราสร้างกรรมมาเองนะ แล้วก็หายใจทางสะดือได้จึงมีประโยชน์เอามาสอนเด็กหายใจทางกระโหกไม่ได้แล้วถ้าพูดโธต้องตาใช้เลือดเต็มนี่เลยเนะี่ยเนีเลือดเต็มรอตำรวจทางหลวงมาก็บอกเอ๊ะหลวงพ่อไม่ตายหรอกท่านพูดได้เขาจึงไปอุ้มมาใน้านไอ้พวกนั้นพวกตลาดปาก บ, บางทิ้งเราตายเนี่ยตำรวจบอกพูดได้จะตายได้ยังไงก็ไปอุ้มมา ปมมาก็ใสยรถรถตรงนัน้นรถเออรถตรงแถวแล้วพอดีออเนี่ยไอเบาะนี่มันไม่มีแล้วเครื่องมันอยู่ที่ตูแต่ตมาพอดีนะเครื่องรถแล้วก็เขาไม่ใช่แล้วก็พอดีไอน้ําหมอรถมันเนี่ยฝามันหายเขาพากที่ยูจุกไว้เขาใส่ปเร่งเครื่องไปไปถึงวิทยายกเกษตรตรงเนี้ย เราก็จับพอไว้ลืมตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินสักเดี๋ยวมาเลยสมน้ำหน้าเดี๋ยวกูจะดซ้ำเฮ้ยไลว้ไอ้หาเราจะแยกจะซ้ําเลยเหยอะเนี่ยหัวเตาโผล่มาเป็นแถวหมดไอ้เตาหัวโผล่มาเป็นแถวหมดกูจะซ้ำมึงเต่ามาพูดอย่างนี้เนี่ยสมนหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ํา ล้วบอกพี่โชเอ้ยต่าเอ้ยก็ขาใช้นี่แกเมื่อวันก่อนแล้วปวดแสบปวดร้อนมาต้องหลายวันแกจะซ้ำใครเหรอไม่ได้กูจะต้องซ้ำมึงทำกูเจ็บใจนะพอบอกกูจะซ้ำผ้าที่ตูหุดนีย่ยอมผ้าหลุดเลยผ้าผ้าไอหม้อน้ำหลุดแล้วก็นำร้อนก็พุ่งขึ้นมา น้ำย้อนหม้อไอหม้อ น, น้ํามาอยู่ที่ตู้แล้วโชเฟอร์ก็เ น, นี่ยยังอยู่เนี่ยโชเฟอร์อืู่ในชาวชื่อคนจริงชื่อกางเขาทําอิบขายเขาบอกเองน้ํารั่วแล้วน้ํารั่วแล้วต้งจอดแล้วไอฝ่ายข้างหลังบอกอย่ายจอดคนหลังจะตายแล้วเล่นเครื่องเลยพอเล่นเครื่องใหญ่เลยน้ําพุ่งมาใหญ่เลย ล้างเลือดแล้วสบายเอาลองที่เราเอา น, น้ำ ล, อ ล, อล้อนลวกดูมั้งไหมเอาไหมเอาหน่อยจิ้มเลยเลือดที่หนาภากเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยหนังเนี่ยไม่มีแล้วมันลวกหมดเลยมันลวกไก่เลยจะลองดูไม่เชื่อลองดูฮะโอโหทรมานแล้วก็ไอ้พวกที่ประคองเราไปเนี่ย หยุดเถอะหยุดเถอะไอ้คนหลังบางจะหยุดไอ้คนหลังจะตายแล้วไอ้โชอเฟอร์มันจะตายแล้วก็นาวาตรีคนหนึ่งบนอสองไอ้ที่โครงแทมตับจะตายรีบไปโรงพยาบาลเลยน้ํามันก็ไหลเรื่อยขึ้นมาพอถึงโรงพยาบาลถึงบุรีน้ําแห้งหมอพอดีเลยถ้ามันไม่แห้งคงจะพุ่งลงอีก นะยมร้องไม่เชื่อพวกนีมม้ร้อนน้ำร้อนลวกรู้มังใช่นี่ยนี่เป่ามาซ้ำพอไปถึงโรงพยาบาลเนะีเราก็ต้องตายเนะี่เพราะเรารู้เรือตายวันนั้นเน่ยชุดิทุลาพอไปถึงแล้วหมอใหญ่นายแพทย์สมหมายทองประเสริฐก็รีบเอาตมาไปฉายเฉลยฉายปับ๊บเราได้ยินว่าแวหวแวหัวแหวว หมอตรงหมายบอกว่าเอาเข้าห้องไอซียูไปเย็บหนังให้หมดแล้วก็ล้างเลือดล้างอะไรล้างผ้าแต่งตัวให้ดีแล้วกลับไปวัดกลับไปวัดแล้วก็หาพิพา้มอญด้วยเออเราก็ต้องตายเขาว่าฮงคอขาดเขาใช้เเลยแล้วคอขาดเลยเนี่ยอย่างนี้เลย บอกไม่รอดอในสมหมายของเถิดยังอยู่นี่หมอเนี่ยหมอยังอยู่นะเลยทํำมาก็เอาไม่เป็ น, นเราหูไม่ได้ยินมันวแววตาลืมมาก็ไม่มองไม่เห็นได้ยินเสียงหมอพูดวแวว่าไม่รอดวันนี้อยากตายละโดยรีบเข้าห้อง อ, ะะอยู่เย็บ ถกนังมาเย็บชทําทำความสะอาดแล้วก็ล้ า, ลางเลือดล้างไรเรียบร้อยเอากลับวัดมันมรู้ว่าเออกลับวัดทำไมอ่ะเอากลับวัดทำไมเวอะามาก็อธิษฐานจิตยกมือมาได้มือนึงก็บอกว่าข้าพเจ้า ใ้าหนี้มนุษย์หมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปเลยข้าพเจ้ารู้หนทางแล้วต้องตายวันนี้รู้ลุงนาหกเดือนไม่อยู่เสียใจเลยเลยเพราะเราไปทำาตรมมาแล้วก็ถ้าหากว่าข้าพเจ้าใช่หนีมนุษย์ไม่หมดขอเท้าเวชวันโยมทูตแ่งเท้าเทวราชโปรดให้ข้าพเจ้ากลับมาใหม่ได้ไหม มาใช้นี้มนุษย์ให้หมดสิ่งกันในชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าข้าพเจ้าจะไม่ขอมาเกิดอีกต่อไปโลกมนุษย์นี้มีแต่โลกที่เกลียดโลกอิกฉาโลกที่โกงโลกที่อิกฉานิขิยาการข้าพเจ้าจะไม่ขอมาถ้าเป็นไปได้เนะี่ยขอให้ข้าพเจ้าฟื้นคืนมานะบัดนี้เลยหมอ เขาก็บอกให้บุรุษพยาบาลเอาเอารถมีเตียง ม, มีลูก้อเล็กๆแล้วให้นอนไม่มีไม่มีหมอนนอนตรงๆแล้วบอกให้บุรุษพยาบาลสายรถเข้าไปห้องห้องโนงดรวดเร็วเล ย, ยพอดีมันมีประตูเหล็กยืดมันมีประตูรางอสองคนบุรุษพยาบาลก็สายเต็มที่เลยล้อเขาไปขัดล่องโคลน คอติดเลยแล้วคอไป ข, ขึ้นมายกแข้งยกขาได้ตาเห็นนั่นจริงรวบคอติดเลยพอคอติดขึ้นมาแล้วไอ้บุรูษพยาบาลไม่ไอ้หามันพูดกันได้ยินแล้วครพเนี้ยได้ยินชัดเลยไอ้หากูรู้ว่าตายหาเลยยังเนี่ยรู้ว่าตายหาแล้วนะเนี่ยโครมเนี่ย ดังเสือกฟื้นขึ้นมาได้คนหนึ่งมันว่าไงคอนเอไม่เป็นทักูาะทกูไม่ส่ลงรอแม่จะฟื้นหรือได้ฟื้นขึ้นมาเฮ้ฟื้นเลยต้องเสีอพระสมเด็จเป็นหลักฐานสองค์เลยนะปอเนีเลยฟื้นขึ้นมาแล้วหมอไม่หมอสงสัยยังไม่เชื่อไงต้องมาให้สมาบีบบีบแขนเขา ว่ามีมมแลงไหมมีแรงไหมแล้วยกขายกแข่มีแรงไหมเพรากลัวไปอัมพาตจะฝ่ายพยาบาลมาสองคนเดินตแท้ๆมาลองพ่อขาลองถีบหนูดินล้ว่าเราไม่มีแรงบอกคุณหนูเอาขาเยอะหรือสองขาถ้าถีบสองขาเองตายเลยนะนี่นะถ้ามีแรงเท่าไหร่ ยกขาได้เลยนี่นะไม่่าเชื่อเลยก็ไปห้องไอซียูเลยพยาบาลที่จะมาทำแผลบอกเราพ่อไม่ต้องถี่ยาชาเนะีนะ่ยนี่พอคอติดแล้วอย่าลีมนะไอหัวนี่ชาดิ่งเลยโดนน้ำร้อนมาไงล่ะโดนน้ำร้อนโอ้โห พอคอติดแล้วรู้สึกขึ้นมาแล้วชาดิ่งเลยร้อนบุบบุกบุกที่โดนน้ำร้อนตะกีนเนี้ยถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวลองวันนี้ลองน้ำร้อนไปลวกดูได้ไหมไม่นะอะอ้าเดี๋ยวได้เหมือนกันพอข้าวไปเสร็จแล้วก็เย็บดิบ เนี่ยโดนเย็บทั้งนั้นเย็บดิบนุ๊นึน๊นเลยเจ็บก็ต้องทนหมอบอกว่าหลวงพ่อถ้าฉีดยาชาหรือทาให้ชาเลยเย็บแผลมันหายยากถ้าเย็บดิบอย่างนี้มันจะหายง่ายขึ้นเนี่ยทรมาร์เรือเกินก็ต้องเย็บไปตามหน้าที่แล้วเสร็จแล้วล้างเ ล, ลือดนะแล้วก็อยู่โรงพยาบาล หมอก็ทําอะไรให้ไม่ได้แม่ประกอบเป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลนม่แทดประกอบเลยก็โทรไปหาหมอไปดิบโรงพยาบาลเลิอดศีลบอกว่าเอาหลงพ่อวัดพนมาเลยหามไปหามใส่รถไปแล้วหามขึ้นโรงพยาบาลเลือดศีลพอไปถึงโรงพยาบาลเลือดศีลผู้มนวยการก็เอาเองเลย บอกเอมีหลวงพ่อองค์เดียวคนะอหากไม่ตาย น, ะนอกนั้นตะนอไปอำมาภาเลยนะคอหากนี่ต้องตายทุกรายนี่มันขาดไปแล้วเนี่ยเลยก็เข้าเปลือกพันผ้าพ า, ายละตะลายแล้วก็ลุกขึ้นมาพากลับมาอยู่สิงห์บุรีมาเด็กค้งเดินได้พวกตามแหกามาดูเมืักที้จะตายหาไม้กลับเดินได้ เดี๋ยวหมอยังอยู่เนี่หมอประดิษฐ์เนี่ยเอาลูกบวชมาฝากไว้ชินี่หมอประดิษฐ์ปัณิปกรกเกียนไปแล้วอยู่โรงพยาบาลเลือดฉินนะหมอกระดูกตัวลือก็ข อ, ขอสรุปให้ใจความให้ฟังว่านี่กหแห่งกรรมเศรษฐมาต้องไปท่านกตกปลาไปนี่อยธรรมมันมีอยู่หลายเรื่องขอขอสรุปใจความว่าเรื่องเดียว สการที่สองอธินาทานติดมาหกสิบเปอร์เซนเบียดเบียนชับรับรับรบองในชาตินี้ถ้าเราไม่เจริญกุศลภาวนาแล้วจะต้องโดนต้นโดนขี้โดนไฟไม่บ้างไม่ผิดหรอกแล้วการเมสุนิชาจานติดมาหกสิบเปอร์เนมาคราดีตชาติวิบา ก, กรรมที่จะมาถึงเรา รับรองขอประทานโทษคนนี้กล่าวคำหยาบอันนี้บ้างเพื่อจะไม่ถูกใจโยมถ้าใครได้ทำมั น, นี้ขอประทานโทษด้วยมีสา ม, มีกี่คนเป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดแต่ใครไม่เจริญกรรมาฐานแก้กรรมแพ่สงกุศลแล้วก็จะหมดทางนะระหว่างครอบครัวจะไม่มีความสุขความเจริญเลย อตาต ม, มาไปสหรัฐเมกามีรกเตอร์คันหนึ่งขับรถให้ไปเลื่อกไปจ้งางราฐไฟกั๊ดอยู่เขาเล่นการพนันการไปดูวัดก็คุยไประหว่างทางหุนทางต้องปเก้าร้อยกิโลเมตบรอรงพ่อครับผมมีภรรยามาสองสามคนแล้วมีชู่หมดจะทำไงจะแก้ตตได้หรครับอตาต ม, มาก็บอกเอาอย่างงี้ นั่งเจริญกรรมาฐานโหติกรรมก่อนแล้วเขาไปมีหม่สักคนหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อกรรมาก็สอนกรรมาฐานให้ที่รัสอาจริศโนนแล้วหมออ่าแล้วดรโทนี้ก็เจริญกรรมาฐานทาได้สร้างสติอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ทำตามปฏิบัติอย่างที่สอนทุกประการบัดนี้ภรรยาดีหมดไม่เป็นชู่สู่สาวอีกต่อไปนี่วิธีแก้ โหดิกรรมก่อนทำมุสาวาดหลอกลวงโลกหวังเอาราบเขานะรับรองโดนโกงโดนหลอกตลอดรายการถ้ามาในชาตินี้หกสิบเปอร์เซ็นนะไม่สามารถจะแก้ได้ถ้าจเจริญกรรมฐ า, านโหดิกรรมได้ถึงจะเป็นไปได้สุลามียะติดมาหกสิบเปอร์เซนรับรองลูกหลานเป็นโรคประชาแล้วก็หาบว่าคนไหน เอาเหล้าสุรายาเมาไปกินในวัดไปกินที่บับเพงกูชอนจะเขาสร้างความดีกันจะเกิดเป็นวิบากกรรมบ้าเจ็ดชั่วโคตที่เราจะต้องคลายเป็นคนวิกลจริตอันนี้อาจจะมาจับบทเห็นตามได้หมดฮนะจึงได้ที่วัดเราเนี่ยโยมนะเวลาบวชหน้าจึงไม่มีเหล้าและไม่มีการแห่เวียนเสมาเทงบอง เอาไปเอาไปเยาะเย้ยพระพุทธเจ้าก็สวดลระพุทธคุณทรรมคุณสังอาคุณพามาสังอาคุณสามรอบแล้วข้าวในโบสถ์คนที่มาบวชหน้าก็ได้บุญเท่าทานมาเป็นเขตการเคารพในเขตศีมาพระผู้ใหญ่ก็ต้องหุบย่มถอดรองเท้าและทำไมไปกลางสัปปนทนแถมปีกองยาวเถิดเทิงกองยาวกันอีก อาจะแห่มาจากบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ถึงจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเถิที่มาก็ควรจะหยุดที่วัดเราจึงได้สร้างแต่บุญไม่เอาบาปแต่ประการใดเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้มีความหมายอยู่ไม่ใช่น้อยตมาก็ขอเจริญพรว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยสามารถทำให้ทุลาบาบางได้ เราโหสิกรรมชะก็สรุปใจความมาสวดมนต์เป็นนิสอธิฐานจิตเป็นประจำประจาเอาโหสิกรรมก่อนก็้ยแผ่เมตตาเป็นต้นเนี่ยสามารถจะได้ผลได้แน่เนี่ยเช่นนายกยังยงยุทธพุชมาคมจังหวัดอุทัยธานีโดนรถชนขาเละหมอบอกว่านายก แล้วครเป็นจ อ, อ, อจังหวัดอุทัยธานีด้วยจะตัดขาที่เลี้ยเนี่ยก็คงไม่ได้นะมันจะต้องลามเพราะคุณนายกเป็นเบาหวานอย่างแรงมันก็จะเน่าขึ้นมาตัดระโพกไม่ออกเลยตัดออกนะถึงจะได้ผลนายกนี่ก็บอกว่าเอาละคุณหมอให้ผมได้แก่ตัวขอ ตัดทิ้งชายสักสาวันก่อนค่อยค่อยตัดเลยผลุท้ายก็นางสวด น, นอนสวดมนต์ที่โรงพยาบาลสวดพุทธคุณธรร ม, มาคุณพามกาสวดมนต์เท่าอายุแล ะ, จะเจริญกรรมาฐานเพราะผงเข้าตาแลว้วไม่มีทางออกได้เท่ากับทางเดียวมันง่ยจะตัดระโพกนม้ออกก็จะเดินไม่ได้ภรรยาก็ต้องกรอกข้าวกองน้ำ เลยก็ฉดมอนใหญ่นั่นเจริญกรรมาฐานพอหมอมาตรวจตรวจทั้งหมดแล้วหมอก็ถามว่าเอ๊ะเบาหวานหายไปได้ย่างไรไม่มีเชื้อน้ำตาลเลยแม้จะหย ด, ดเดียวไม่มีเชื้อก็ได้ความมาว่าเอานี้ห้นายกต่ดสินใจเผาเหล็กใส่เลยนิมิตเครื่องหมายมาบอ ก, กนายกว่า ตอนเป็นเด็กชอบความหมาให้หมาขาเลี้ยแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นชอบขับรถตั้งแต่เมรายชนหมาชอบชาให้หม า, า, าหักขาหักแล้วตัวเองโตแล้วอายุจะเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ถึงได้ทราบนางเจริญกุศลภาวนาเบาหวานหายไปเลยเบาหวานหายได้นี่ที่อทยธายนีนี่เองเมื่อปีนี้เองนะ ปีที่แล้วเนี่ยเลยก็พาเอาเล็กซายเดินได้เลยไม่ต้องตัดขาแลวเบาหวานหายไปได่ดยโดยขาดเลยก็พิมพ์หนังสือมาเอามาให้เป็นพันๆเล่มเลยพอดีคนหนึ่งลุงอายุเจ็ที่ปาดไปโรคมะเร็งหมอบอกว่าลุงอยากจะอยู่กับหลานๆ ล, ลูกหลาน อยู่ซะสามปีไหมผ่าออกนะทายิไม่อยากจะลูกอยู่ก็ลูกหลานก็ตายไปนี่ก็เอาตามใจเลยตะลุงกลัวไม่ไม่ผาหนีมานั่งกรรมาถานที่นี่สมาคก็ไม่ทราบหรอกแต่แกแ ก, ก็กลับไปไปตรวจที่โรงพยาบาลอุทัยโรงพยาบาลอุทัยก็บอกเอหายไปได้ยังไงเนี่ยไอกรอนี้ไปไหนอะ่นะฮน หายไปเลยเลยผลทายก็ผูนเวการให้มนิโมนัตมาไปพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องจากการกระทำของท่านนายกพุทธสมาคมคนมาฟังในโรงพยาบาลกันแน่นเละแล้วกันนาแพทย์สามีเป็นแพทย์ภรยาเป็นแพทย์เขาก็ถามว่ามีลูกสองคนพิการหมดเป็นกฎแห่งกรรมประการใดก็ชี้แจงให้เขาฟังแล้ว นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยนี่แทุกคนมันก็รู้กดแห่งกรรมของเขาได้จากการกระทมเบาหวานหายอยู่เด็กขาดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แด้มาปีที่แล้วผ่านมาคนบ า, บาเลีก็มาที่นี่สองคนลูกชายปวดขาขาเหยียดไม่ออกขานั่งก็ไม่เรียบร้อยปวดขามาเจ็ดปี ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหมอก็รักษาไม่หายเลยก็มานั่งกรมฐ า, ามปวดหนอปวดหนอต่างสถีว่าเขาพูดไทยไม่ได้ตาชายุสาวสอนคืออาชุงเนอไม่ชีชุงเนอเดี๋ยวนี้กลับสิงคโปร์ไปแล้วเขาพูดบาเลได้พูดภาษาจีนกลางได้ก็กำหนดไปกำหนดไปกำหนดไ ป, กดไปเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไป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 เนี่ยมาอยู่ที่นี่แค่เจ็ดวันนะคนบาเลและลูกชายมาด้วยก็บอกว่าหลวงพ่อข้าพระส่งภาษาจีนกลางให้ลูกสาวแปลเขาจะเลิกเรียงหมูหมดกลับไปนี่สร้างวัดจงเจกันแบบวัดจีนไม่ใช่วัดไทยแล้วก็จะไปสอนอย่างที่เขาทำได้เนี่ยนะนี่แหละเหตุผลที่เราทำเจริญกรรมฐาน มันก็รู้กดแห่งกรรมขึ้นมาได้โดยที่เขาไปคว้าขามหมูเป็นต้นอย่างน้ายกมาสั่งข้าหมาแล้วก็ชอบขับรถชนหมาแล้วตัวเองก็ไปโดนรถชนขาเละบัตรนี้สบายมากเดินได้เป็นปกติแหละแล้วเบาหวานหายไปเลยนะหายโดยเด็กขาดด้วยเพราะฉะนั้นการทาอะไรเนี่ยเราเจริญกรรมฐานเนี่ยมันก็ไม่มี อิจฉาลิษยาใครจะจะเป็นเหตุให้เราได้ผลการลิชยาหรือการไม่แผ่ไม่ตาด้วยบุญกุศลนี่มันจะเป็นเหตุผลห้าประการหนึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแตแกแยกความสามัคคี2เป็นอุปสรรคของการประสานงานที่ดีสเป็นเครื่องทำลายขวัญและ ก, กำลังใจของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันสเป็นการสร้างศัตรูให้แก่ตัวเอง ห้าขอขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานการเนี่ยคนอิจฉากันไม่มีดีเลยมีจะแผ่เมตตากระเทอะเขาก็จะได้มีประโยชน์ต่อการร่วมไปเนี่ยต่อไปด้วยสรุปใจความเนี่ยขอเจริญพรว่าการเจริญนิปัญนากรรมฐานเนี่ยสามารถระลึกเหตุการณ์ได้หนึ่งสองรู้กฎแห่งกรรมได้ สามจะแก้ปัญหาได้อย่างไงเมื่อเกิดขึ้นแก่เฉพานะหน้าและเราจเจริญกรรมาฐานได้ไม่ใช่ว่าให้เงินมาและก็มีความสุขเองโดยเฉพาะมันทําให้มีสติปัญญาไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่นแน่นอนนะโยมนะเอยี่าไปไหนตาอย่าไวยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่าลื้ฟื้นเรื่องอื่นอย่าคลิกกิจชอบทำ ปัจจุบันเนี่ยเป็นของเราขณะอนาคตหาความแน่นอนไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงภาวะไปตามเหมาะสมของกฎแห่งกรรมจากการการะทำของเราอย่าไปจับมัน่นขันแม่ตายมันจะเสียใจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการกระทำของชีวิตนี้จึงมีหลักฐานเหตุการณ์ของกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นได้แก่ตัวเราทุกคนถ้าเราแผ่เมตตาเนี่ยศัตรูก็เป็นมิตรเราได้ คนที่เป็นคู่กรณีที่เกลียดเราอิจฉาเราภูพยาบาทเราเราก็สามารถแผ่เมตตาเขาเป็นมิกกับาลาวเขาจะได้ช่วยเราทำงานต่อไปลำวงมันก็ต้องมีกองเชียร์มันมีชิงมีฉับมีกร บ, บ, บมีแกด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราไม่มีการกองเชียร์ขาดพวกพ้องพี่น้องแล้วไหนเลยเราจะทำงานอะไรได้ล่ะอยายขอฝากว่ากดแห่งตํา ด้วยการกระทําของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้แน่นอนได้แต่ตัวตัวมามาหลายเลี่ยงเลยอย่าดูที่ฟ้าผ่าทุ่กุฏิเลยคนมาก็อยู่ในกุฏิก็เยอะสายเขียวเข้ามาสายแดงเข้ามาชนกันปเปรี้ยงเลยจีวรไหม้หมดทั้งตัวเลยก็ปวดแสบปวดร้อนอยู่หกเดืนอนแล้วหูตึงไปหกเดือนเลยใครพูดมาพอดียินเลยเนีย่ยต้องทรมาน เราสบานก็ยายไว้ก็ไม่น่าเป็นมันก็เป็นได้ขอเจริญพรวช่างความดีต้องมีอุปสรรคจะทําทความดีมากขึ้นมีหนี้มาทวงก็นึกว่าจงท่วยการประสบะการณ์แล้วก็แก่ปัญหาต่อไปเถอะถ้าเราไม่สร้างความดีสร้างแต่ความทั่วแล้วมันไม่มีหนี้มาทวงเอาไว้ทวงกันชาติหน้าต่อไป มันจะไม่เป็นผลงานให้กับชีวิตของเราแต่ประการใดสร้างความดีต้องมีอุปสรรคขอเจริญพรว่าสร้างความดีต้องลงทุนความาลำบากให้ได้สร้างความชั่วเนะั่ยชอบลงทุนความสบายไม่เอาเนื้อเอ า, ตาใต้กันแต่ประการใดเราขอเจริญพอรอย่างนั้นทำอะไรก็อุตสาห์ตั้งใจให้ลูกเราสร้างความดีกับลูกทำถูกแล้วกับหลานไปกดแห่งกรรม ลากันมันถูกวิธีทำความดีลูกดูถ้าพ่อแม่เลาปู้ยีปู่ยามกับผู้หญิงยิงเรือนะทำให้ลูกเสียหายก็มีเวลาก็จะยกตัวอย่างให้ฟังละข้อดีในร้อยโททหารลบบุรีนี่เองอเป็นทหารปืนใหญ่สูงการนะ์นาเป็นใหญ่มาประชดสองพันห้าร้อยแต่ชอบปููยีปู่ยามกับลูกกับเมียเข้าผู้หญิงยิงเรือ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 ท่านไปบู๊ปูยี่ปูยำกับผู้ผู้หญิงยิงเลือเขานอนทาแครบ้างลบหลีบ้างสาดแก้ว บ, บ้างาแตมารู้เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปหรอกครับไม่เป็นบาปยังไงเล่าสมาฟังก็เขาก็ผมตกลงการตกลงการเราไปซื้อของเนี่ยต่อตามก็แล้วตกลงการจะบาปยังไงเขาก็เต้นใจก็ผม ผมก็เต็มใจกับเขามันจะไม่บาปล้อเราไม่ได้ประมขืนเขาแต่ประการใดก็ตามใจนะเขาพูดมีเหตุผลนะคุณมีเหตุผลอพรอ อ, อ น, นะก็ครับมีลูกสาวสามโตเป็นสาวหมดแล้วนะมีลูกชายสองแต่เหตุกรรมโดนบันดาลลูกสาวสามคนเรียนสื่อเก่งแต่เข้าหมหาวิทยาลัยไม่ได้แม่มแต่คุณเรียบ นาเข้าไล่ได้เลียนได้ทานจะหมดได้หมอหกจบหลักสูตรมันธยอมศึกษาตอนปลายแต่เข้ามหาลัยไม่ได้เลยนาเข้ากรรมมาซัดคนโตไปชอบร้องเพลงตามมูเตนเนี่ยพาน้องไปร้องเพลงตามมูเต้นร้องไปร้องมาสนุกสนานตามมูเต้นกลับมา แม่ก็บน่นแม่ก็ดา่าพ่อก็เมาขึ้นมาเตะลูกทั้งรองเท้าเลยนะเตะลูกไปทั้งรองเท้าเลยแล้วก็ไล่แ h ลูกเลยนี่หนไหมแบบบาป ก, กรรมของพ่อสร้างความเลวไร้ยายกับลูกชัดๆเป็นเวงกรรมประการใดนายที่สดพ่อก็ว่าตาดบทลูกชะว่าลูกเอย เดือดกอนโยนโยนลงทะเลไปไม่เย็นสนใจก็เธอลูกสาวสามคนก็ชี้หน้าพอ่อบอกพ่อนะถ้าหากว่ายินไม่กรบหน้าลูกจะไม่กลับแล้วออกจากบ้านไปเลยไปเป็นอะไรโยงรู้ไหมไปเป็นโสภนอยู่ที่พัทยานย่เลยพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยนั่นเวงตามตามสนองมาแล้วในที่สุด พอแม่บาที่จึงลูกเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วหายออกจากบ้านไปก็ไม่รู้ทาไมเมาพูดตัดพ่อต่อว่าลูกไม่น่าจะเตะลูกทั้งรองเท้าเมาเตะลูกทั้งรองเท้าเลยเนะี่ยเป็นบาปเป็นตามของพ่ออันหนึ่งเลยพอดีในพันเอกเขามีเพื่อนเหมือนกันไอ้เพื่อนในพันเอกนี่ก็ชอบชุบชนก็ชอบไปเที่ยวตามโรงแรม เลยไปพัทยาก็ไปเจอลูกสาวคนนี้บอกหนูมายัางไงอยู่ที่นี่จำได้บอกว่าจำจำพ่อได้ไหมหนูเขาไปเพื่อนพ่อของเขาเขาเรียกพ่อจำได้ค่ะเธอมาอยู่ยังไงบอกรายก็ใจช้นทำไมไม่อยู่ที่นี่เหตุผลก็ได้ความว่าไปร้องเพลง กลับมาพ่อเตะเรื่องรองเท้าและลายแห่หนูหนูก็มาทางนี้ดีมากแล้วแหมหนูเถ้าพ่อไม่มาในห้องนี้พ่อจะไม่ทราบว่าเธอเป็นใครจวนแล้วเชีนะเลยก็รู้เรื่องก็มาบอกกับเพื่อนบอกเพื่อนเอ้ว่าไปเจอลูกสาวเจ้าแล้วไปเต้นโสดพิณีเนี่ยพ่อน้ําตาร่วงทันที บอกกับแม่ด้วยบอกลูกเจ้าสามคนไปโฉบไปหนีหมดน้ำตาร่วงเลยนี่อย่าเวงกรรมตามสนองจะว่าไม่มีเวงกรรมอย่างไรแล้วในผลุทท้ายก็มากิดกรองเวททางพ่อก็ไม่มีคนทั่วยอย่างนี้ทางแม่ก็ไม่มีแต่พ่อแม่รุ่นนี้พ่อมาทำความชั่วกับลูกเลวร้ยวายอย่างนี้ตลอดมานะ ในสุดก็ไปนค้นใบสุขที่ไปดูหนั่งสุอนั่งหาอ๋อนึกได้แล้วบวชวัดอัปวันทึ่งบุญตอนไปในร้อยโทหมดประสอสองพันห้าร้อยโน้นตอนโดยพระเหนืพิเศษได้ความว่าอย่างไรก็พากันมาที่วัดนี้สองคนสามีภรรยาก็มากราบเรียนอาตมาว่าหลวงพ่อาจำผมได้ไหมบอกจำไม่ได้แล้วท่านเป็นใคร ผมไปนในรลยโทรชื่อนั้นชื่อนั้นตอนมาบวชที่นี่ปศรอ้องมาในไลน์ที่หลวาพ่อบอกกับผมว่าไม่มีลูกสาวมั่งก็แล้วไปอา้าวจาได้แล้วเอา้าเป็นเรื่องอะไรต่อไปบัดนี้ลูกสาวผมเป็นความจริงที่เรางพ่อพูดแล้วครับเป็นโสเพิยหมดแล้วครับอา้าวแล้วก็เชื่อบุญบาปไหมนะยอมรับครับผมเชื่อหมื่นอร์เ็แล้ว หลวงพ่อช่วยแก้ผมหน่อยได้ไหมผมเสียใจเหลือเกินลูกสามคนไปหมดเลยเหลือแค่ลูกบุ้ชายสองคนเล็กกำลังเรียนหนออยู่หมหาวิทยาลัยหลวงพ่อจะทำยังไงครับเอาละไหนไหนก็ยอมรับผิดแล้วก็จะโอ้โหจิตกรรมให้มามาลูกก็โทษขอโทษแล้วเอาไปาพักร้อนมาเจ็ดวัน สองโกนสามมือก็ไปพักร้อนมาเจ็ดวันแล้วก็เอาทอนคำพูดก่อนตอนคำพูดเสี้ทติเตยลูกทิดาลูกแช่งลูกแล้วตมาจะยัถากับปีให้พอเสร็จแล้วก็นั่งกระบาฐานอย่างนี้แหละพอไปนั่งเหนือนอั่นแม่ไปนั่งใต้ตอนนั้นยังไม่มีกุลตรงวสีมากมายอย่างนี้หรอกมีแต่นิดหน่อยนะ เดี๋ยนี้ก็จางมาม่าพายชองั้ำปีนี้เองนะไม่ได้มากไม่แล้วนักหนาเลยนั่งกรรมฐ า, านแผ่เมตตาให้ลูกขอให้ลูกดูเย็นไปจบขอให้ลูกดูเย็นไปจบแล้วก็ถอนคำพูดที่ด่าลูกแข่งลูกทีาย ล, ลูกว่าเลือกก่อนโยนลงทะเลขอบินฉบาทแล้วขอถอนคำพูดนะถอนบาปออกก่อนในสุข ก, ก็กลับไป ลูกกลับมาหมดเลยสามคนกลับมาก็พามาที่วัดนี้ธรรมาก็เรียนถามบอกคุณหนูได้ข่าวว่าไปอย่างนี้แล้วก็หนูบอกกับพ่อเธอว่าแผ่นดินไม่กลรบหน้าหนูจะไม่กลับบ้านนี่แผ่นดินยังไม่กลอบเลยมาอย่างไง นี่แหละกำลังแรงของกรรมฐานาเนี่ยความดีขงพ่อแม่นะแผ่เม่ตายลูกแต่แต่วันที่แปดไปจนไปหนูสามคนแยกกันหากินก็บอกวันที่แปดฉนระ้องไห้เลยคิดถึงแม่คิดถึงพ่อนึกถึงความหลังที่ผ่านมาไม่น่าจะมาเป็นอย่างนี้เลยพี่ก็ไปชวนน้องกลับบ้าน นี่แหละญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเ อ, อ๋ยพ่อแม่เท่านั้นแผ่เมตตาลูกๆคิดถึงแม่ได้ยังลูกจะไป เ, ร, เรียนการศึกษาจะไม่เรียนหนังสือจะอยู่สารัฐอเมริกานิวซีแลนด์นิวซุงตารีฝรั่งเศสก็ตามเราแผ่เมตตาลูกจะหันเหกลับเล่เป็นคนดีหมดตั้งใจเรียนหนังสือมีตัวอย่างที่นี่หลายลายก็เด็กก็กลับ ที่ถึงพ่อแม่อย่างนี้แล้วก็เราก็บอกพ่อแม่เขาอย่าไปเท้าความหลังอย่าไปลื้อฟื้นเรื่องกล่าวไปไหนอย่าลือฟื้นเรื่องหนุ่ยอย่าคิดที่จชอบทำนะเลยเด็กคนคนี้สามคนก็ขอกราบใจเลยก็มานั่งกรรมาถานจะเป็นเจ็ดวันหรสิบวันตมาไม่ทราบจำไม่ได้ละเอียดก็มานั่งเจริงกรรมาถามสามพี่น้อง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 แม่ก็เป็นรองัดดาจารย์แล้วก็จะปล็เสียณแล้วหรืออย่างไรก็คงปลดแล้วพ่อก็เป็นในพลเป็นถึงในพลโททหารแล้วลูกสามคนก็ไปได้สามีดีหมดนี่เวงกรรมตามสนองพ่อแม่ก็มาให้แผ่ไม่ตายลูกเป็นการแก้กรรมไม่ลูกที่ตนทำกับเขา ปูยีปูยามอาโหสิกรรมก็สรุปใจความว่าทั้งหลายเอ๋ยฉวยมนเป็นนิจอธิษฐานจิตเป็นประจําอาโหสิกรรมก่อนก็แผ่เมตตาไม่โกรธไม่เกลียดใครอีกต่อไปอย่าปูพยาบาทคาดพิเวรแต่ท่านผู้ใดอีกและท่านจะแผ่เมตตาได้สมปรารถนาทุกประการวันนี้ก็เป็นวันอาจายิกะสมัยดุกแล อตาตมาก็เป็นค่ายอย่างแรงนะวันนี้ไปพูดมาก็หลายชั่วโมงมาพูดที่นี่ก็จะหลายชั่วโมงอาตมาเกรงใจโยมนะถ้าไม่เกรงใจโยมจะพูดให้สว่างเลยก็เห็นโยมจัง่วงไปแล้วอตาตมาเนี่ยโยมยังได้ทักนะมาคลึงก็ดึกมากย่าไปวันนี้ก็ทั้งวันแล้ว ก็ไปพูดมาหลายรายการก็มาในหยุดหย่อนผ่อนอารมณ์แต่ประการได้ยมพออุทาแค่ฟังเถอะต่างใจและแข่นึหนือจะอดหลับอดนอนบ้างก็ไม่เป็นไรเรียกว่าเอาสร้างความดีฟังกันหาเวลาที่มีประโยชน์อย่างนี้ได้ยากชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์นะ สิงอานรพลรน้อยจำและปฏิบัติต่อไปยมจะได้รับผลสมค่าพาถนาอาตมาขออนุโมทนาที่ชี้แจงเลื่อมกรรมฐานรละลึกชาติของกรรมและรู้กฎแห่งกรรมได้โดยไม่ผิดหวังและกรรมฐานสามารถแก้ปัญหาชีวิตจิตประจำวันได้ในเมื่อเราไม่สร้างเวงกรรมใหม่แงแต่เวงกรรมเก่าที่ผ่านมาต้องรับใช้ โดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้โหสิกรรมกันจะไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปแล้วเวรชนะนดุจการอย่าจองเวรกรรมกันขอเจริญยศเจริญศักดิ์สรีสร้างความดีในสัโคมของตนต่อไปและขอสุดท้ายนี้อำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมมาบำเพ็ญประกรรมฐาน และบำเพ็ญบุญก็ขอให้เป็นกระลุนหนุนนำนำโยมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรด้วยการทุกทกท่านและขอทุกท่านทรงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาพละปฏิพ า, า, านธนาสา ร, รทุมบัิในกิจิงเนี่ยประการใดสมความมุ่งมาศารันาด้วยการทุกลุกทุกนาม ในโอกาสบัดนี้เธอท่านสานตู่คุกเข่าวินพรทุกท่าน